ไม่ให้เป็นภาระนี่ความเห็นมันเป็นอย่างนั้นอีกวันหนึ่งอาตมา ก, ก็เดินไปไปพบหลังคามันตกลงก็ถามว่าเอ๊กุฏิของใครก็ได้รับคำตอบว่าเป็นกุฏิของท่านอาจารย์องค์นั้นอืมแปลกนะนี่ก็เลยได้พูดกันอธิบายอะไรต่ออะไรกันล้าอยางเสนานาสนะวัดน่ะที่อยู่ของเรานั้นคนเรามันต้องมีที่อยู่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 บางทีเทศให้เราปล่อยวางไม่รู้จะเอาอยัางไงขนาดหลังคากุฏิมันปกลงไปเราก็ปล่อยวางขนาดนี้ท่านก็ยังว่าไม่ถูกอีกแต่ท่านก็เทศว่าไม่ยึดไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันจึงจะถูกดูสิคนเราจิตมันเป็นอย่างนี้ในการปฏิบัติมันโง่อย่างนี้ตาเรามันมีรูปไหมถ้าไม่อาศัยรูปข้างนอกรูปมีในตาไหม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 ท่านสอนว่าทมทั้งหลายมันเกิดเพราะเหตุเมื่อมันจะดับก็เพราะเหตุมันดับไปก่อนนี่คือพระษารีบุตรนิ่มดในท่านเทศใ้ฟังท่านก็อธิบายพอสังเขปเท่านั้นท่านยกเหตุผลขึ้นมาทำเกิดเพราะเหตุเหตุเกิดก่อนผลจึงเกิดเมื่อผลมันจะดับเหตุต้องดับก่อนเท่านั้นเองระษารีบุตรพอฟังแล้ว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 ฉนั้นพระพุทธองค์จึงให้รู้อายตนะเครื่องต่อไตในตามันก็ต่อเอารูปเข้ามาเป็นอารมณ์หูมันก็ต่อเอาเสียงเข้ามาจมูกมันก็ต่อเอากลิ่นเข้ามาลิ้นมันก็ต่อเอารสเข้ามาร่างกายก็ต่อเอาโผฏฐพะเข้ามาเกิดความรู้ขึ้นที่เกิดความรู้ขึ้นให้เราพิจารณาตามความจริงถ้าเราไม่รู้จักตามความเป็นจริง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 ไม่รู้จักบทธัพพาไม่รู้จักธรรมารมไม่ใช่อย่างนั้นถ้าผู้ปฏิบัติปรับพึกปฏิบัติไม่เข้าใจพอเห็นรูปก็เสียวฟังเสียงก็เสียวหนีเรื่อยหนีไปไม่สู้หนีไปนึนกว่ามันจะหมดฤิบหมดเดชนึนกว่ามันจะจบลงมันจะพ้นมันไม่พ้นอ่ะอันนั้นไม่ผลห น, นีไปไม่รู้ตามความจริงข้างหน้ามันก็โปล่ิกต้องแก้ปัญหาเช่นพวกปฏิบัตินี่อยู่ในวัดก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่ในเขาก็ดี ไม่สบายเดินทุดดงไปดูอันนั้นไปดูอันนี้สารพัดอยา่างว่าจะสบายใจไปแล้วกลับมาแล้วไม่เห็นอะไรลองขึ้นไปบนภูเขาเออตรงนี้สบายนะเอาละ่ะไม่รู้สบายกี่วันก็เบื่ออีกและอ้าลงไปในทะเลเออตรงนี้มันเย็นดีตรงนี้พอแล้วเอาละ่ะนานอีกก็เบื่อทะเลเบื่อปา่าเบือ่อภูเขาเบื่อทะเลเบื่อสารพัดอยา่าง ไม่ใช่เบื่อเป็นสัมมาทิฏฐิเบื่อเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นไม่ตรงตามความจริงอย่างนั้นกลับมาถึงวัดแล้วจะทำยังไงนอะไปแล้วไม่ได้อะไรมาแล้วก็ทิ้งบาทศึกทำไมถึงสึกเพราะไม่มีเครื่องกันสึกเหมือนรองเท้าเห็นไหมรองเท้าอย่างดีเขามีเครื่องกันสึกไปถูกหินถูกตอไม่สึกกันสึกซะละ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 นั่นมันจะไปตรงไหนเราอยู่ไปเพื่อลดความโง่อย่าอยู่ไปเพื่อให้มันเพิ่มความโมง่ขึ้นมาต้องพิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบเมื่อใดเป็นต้นก็ต้องสัมุกรวมสวังวรพิจารณาเมื่อทุกเกิดขึ้นมาใครทุกข์ทุกนี้ทำไมทำไมมันจึงเกิด ท่านเจ้อาวาดปกครองลูกศิษย์ลูกหานี่ก็เป็นทุกข์ต้องรู้จักทุกข์เกิดขึ้นมานะให้มันรู้จักทุกข์สิทุกข์มันเกิดขึ้นมาเรากลัวทุกข์ไม่รู้จักทุกข์จะไปสู่ที่ไหนได้ถ้าทุกข์มาก็ไม่รู้อีกจะไปสู้ทุกข์ที่ไหนได้ล่ะเนี่เป็นสิ่งสําคัญมากที่สุดต้องให้รู้จักทุกข์การหนีทุกข์ก็คือให้รู้จักพ้นทุกข์ไม่ใช่ว่ามันทุกข์ที่นี่แล้วก็วิ่งไปขอบทุกข์ไปด้วยอยู่ที่นั่งทุกข์ก็เกิดขึ้นออีีกกก็วิ่ง นี่ไม่ใช่คนหนีทุกเป็นคนไม่รู้จักทุกขถ้ารู้จักทุกต้องดูเหตุการณ์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 หรือเรื่องทุกข์นั้นเราจะเห็นในแง่ไม่ดีหรือทุกข์ขัตริย์สมุทัยสัตต์นิโรธสัตต์มรรคสัตต์ถ้าหนีจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ปฏิบัติตามสัจธรรมเท่านั้นแหละมันจะพบทุกข์เมื่อไหร่มันจะรู้เรื่องเมื่อไหร่ถ้าหนีทุกข์เรื่อยไปเราก็ไม่รู้จักทุกข์ทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ควรกาหนดรู้ถ้าไม่กําหนดจะรู้มันเมื่อไหร่ไม่พอใจหนีไปไม่พอใจหนีไปเรื่อย อย่างนั้นก็ต้องทำสงครามหมดประเทศพยามารเอาหมดนี่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านให้หนีด้วยปัญญาเปรียบประหนึ่งว่าเรามีเสี้ยนหรือหนาม น, น้อยต่ำเท้าเราอยู่เดินไปปวดบ้างหายปวดบ้างบางทีก็ไปเดินสะดุดหัวต่อรับ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 จิตใจของเรามันติดอยู่ที่ตรงไหนเราจะต้องรู้จักอยู่อย่างนั้นคลาไปคํา ม, มาก็รู้อยู่เห็นอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นแต่ว่าความเพียรของเราก็ไม่ถอยเหมือนกันไม่หยุดท่านเรียกว่าวิริยรำพะวิริยรำพะปรารบความเพียรอยู่เสมอเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นมอไหในเท้าของเราปรารบว่าจะานาออกจะบ่งนาออกเสมอไม่ได้ขาดเลยทุกทางใจมันเกิดขึ้นมา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 ทุกมันเกิดขึ้นดูเถอะอย่าไปดูไกลๆ ด, ดูปัจจุบันนี้ดูกายดูจิตของเรานี้เมื่อทุกเกิดขึ้นมาเพราะอะไรมันเป็นทุกดูเดี๋ยวนี้แหละเมื่อสุขเกิดขึ้นมามันเป็นอะไรมันจึงสุขดูเดี๋ยวนั้นมันเกิดตรงไหนให้มารู้จักตรงนั้นทุกเกิดที่อุปท า, านสุขเกิดที่อุปท า, านทั้งนั้น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 อะไรอะไรก็ง่ายแบบนี้ที่เรียกว่าเป็นตาสีตาสาธรรมดาแบบง่ายง่ายอย่างนี้ทำไปยิ่งทามันก็ยิ่งภูมิใจมันจะเห็นในจิตในใจของเราฉะนั้นธรรมะนี้จึงเป็นปัจจัต่งังรู้เฉพาะตัวเราถ้ารู้เฉพาะตัวเราแล้วก็ต้องปฏิบัติเอาเอง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 อย่าเข้าใจว่าอยู่นี่ไม่ได้ทำความเพียรการทำความเพียรไม่มีขีดขั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนได้หมดทั้งนั้นแม้กวาดลานวัดอยู่ก็บรรลุธรรมะได้แม้มองไปเห็นแสงพยับแดดเท่านั้นก็บรรลุธรร ม, มได้จะต้องให้สติมีพร้อมอยู่เสมอทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะมันมีโอกาสที่จะบรรลุธรร ม, มอยู่ทุกเวลาอยู่ทุกสถานที่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 มันมีข้อศึกษาโดชังโคสติสังขาโตธรรมานังวิจโยมีสติมันก็มีธรรมะวิจยะมันติดต่อกันเสมอมันเป็นองค์ตัสรุธรรมถ้าเรามีสติอยู่มันมีธรรมะวิจยะไม่ได้อยู่เฉยๆเป็นองค์คำตัสรุถ้าอยู่ในระบบนี้ตัสรุธรรมะอยู่ตรงนี้ภายในจิตของเรานี้การปฏิบัติไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีเวลา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 ฉะนั้นจงพากันตั้งใจไม่ใช่ว่านั่งหลับตาอย่างเดียวจึงจะเกิดปัญญาตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีอยู่เสมอตื่นอยู่เสมอศึกษาตลอดเวลาเห็นต้นไม้เห็นสัตว์ต่างๆก็ได้ศึกษาอยู่ตลอดเวลาน้อมเข้ามาเป็นโอปั ะ, ะยิ ก, กธรรมให้เห็นชัดในตัวของเราเป็นปัจจัด ยัมีอารมณ์ภายนอกกระทบกระทั่ง้ามามันก็เป็นปัด จ, จัดตังสม่ำเสมอมันไม่ทิ้งพูดง่ายๆเหมือนเขาเผาถ่านเผาอิฐเตาถ่านเตาอิฐเคยเห็นไหมเออก่อไฟขึ้นหน้าเตาสักสองศอกหรือเมตรหนึ่งมันจะดูดควันไฟเข้าไปในเตาหมดเลยดูอันนั้นก็ได้มันเห็นชัดอย่างนั้นอันนี้มันเป็นรูปเปรียบเทียบถ้าทาเตาเผาถ่านเผาอิฐให้ถูกเรื่องถูกลักษณะของมัน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 มันจะดูดเข้าไปให้เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งนั้นจะเป็นสัมผัสที่เกิดปัญญาอย่างนั้นสม่ำเสมอตลอดเวลา